บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปก็อนอ่นขอให้ตั้งใจสำรวมกายวาจาให้เป็นศีลตั้งใจทำความสงบเพื่อให้เกิดสมาธิตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ ในการปฏิบัติที่เรียกว่าอนาปานสติกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือว่าให้จิตสงบอยู่กับอารมณ์ที่ใช้เจริญกรรมฐานส่วนจะเป็นอารมณ์อันใดนั้นก็ให้ตามแต่ความสมัครใจของแต่ละบุคคลเพราะว่าขึ้นอยู่กับ สัปปายะที่เรียกว่าธรรมสัปปายะคืออารมณ์บางอย่างบุคคลผู้หนึ่งเจริญแล้วความสงบเกิดขึ้นได้เร็วแต่สำหรับบางคนไม่อาจให้เกิดความสงบขึ้นได้ก็ให้เลือกใช้เฉพาะอารมณ์ที่ช่วยให้เกิดความสงบได้เร็วแล้วตามพิจารณาไปตามขั้นตอนที่ ได้ว่ามาแล้วโดยลําดับในช่วงต่อไปนั้นทรงสอนให้บุคคลผู้ปฏิบัติกำหนดดูจิตของตนทั้งขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกโดยไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจว่าจะหายใจเข้ายาวหรือเข้าสั้นหรือออกยาวหรือออกสั้นแต่ให้ใจสงบอยู่กับจิต คือตามดูจิตของตนทั้งขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกเนื่องจากจิตมีความเคยชินอยู่กับอารมณ์ภายนอกเคยตรึกไปท่องเที่ยวไปวิตกไปในอารมณ์ที่จิตกาหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจบ้างที่จิตกำหนดว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบ้าง บางครั้งจิตก็จะฟุ้งซ่านสัดสายไปในเรื่องต่างๆไม่ปากลงเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึง่งบางคราวเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงทางจิตหรือจิตเป็นเหนียวนึกอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเข้าก็เกิดความลังเลสงสยัยเกิดไม่มั่นใจขึ้นมาเป็นต้นเพราะฉะนั้นในขั้นของการตรวจสอบดูจิตนี้ หลักเดิมจริงๆก็คือให้ตามดูจิตของตนไปทั้งในขณะที่หายใจเข้าและหายใจออกถ้าหากว่าจิตเกิดเปลี่ยนแปลงไปเช่นว่าเกิดฟุง้งซ่านเกิดซัดสายไปในอารมณ์อย่างใดจักหนึ่งหรือว่าบางคราวก็เกิดโดถูไม่ปรารถนาที่จะทำความสงบ เกิดเบื่อหน่ายเกิดครลานกายคลานจิตขึ้นมาก็ต้องพยายามกำหนดดูจิตที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรในกรณีที่เป็นความฟุ้งซ่านไปดังกล่าวนั้นจะออกมาในลักษณะอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามทําจิตของตนให้ร่าเริงโดยการระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระอระหันต์เป็นต้นที่ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติไปตามแนวนี้และได้ผ่านความความสงบไปเป็นชั้นๆจนถึงได้จัสรุลทำลายอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไปปฏิปทาส่วนนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นธรรมะที่ควรเจริญและทรงรับรองผลไว้ วัตหาบมีการปฏิบัติชอบไปตามองค์อริยมรรคการบรรลุมรรคผลตลอดถึงการทำความส ง, งบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจก็จะมีได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจิตสายไปในเรื่องใดก็พยายามส ง, งบจิตคือไม่ตรึกนึกถึงเรื่องเหล่านั้น ถ้าจะถามว่าเมื่อไม่ึกนึกแล้วก็ทำยังไงก็คือให้เพ่งที่ลมหายใจเข้าออกให้มากเข้าพยายามสำรวมจิตให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกไม่ว่าจะเป็นการนับพุโทโธหรือจุดที่ลมกระทบหรือแม้แต่การตั้งลมไว้ในฐานทั้ง3มดังที่กล่าวมาในวันก่อนก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าพยายามมองให้เห็นโทษของจิตที่ฟุ้งซ่านขาดความสงบให้มากและในขณะเดียวกันก็พยายามทำความเข้าใจถึงผลอานิสงที่ออกมาในรูปของความสะอาดความสงบความสว่างอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติสมาธิให้มาก ในด้านที่ไม่ดีศึกนึกก็เห็นเป็นโทษในด้านที่ดีศึกนึกก็เห็นเป็นคุณแล้วเมื่อทำเช่นนี้จิตก็จะโนม้มน้อมเข้าหาส่วนที่เป็นกุศลอาการฟุง้งซ่านทางจิตก็จะค่อยๆส ง, งบลงไปแต่ส่วนจะส ง, งบได้เมื่อไหร่ดยความเพียรพยายามมากเท่าไหร่นั้นก็เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล ดังได้เคยกล่าวมานานแล้วว่าพระเถรีในสมัยพุทธกาลมีท่านหนึ่งท่านบำเพ็ญเพียรตลอดระยะเวลา27ปีใจไม่เคยสงบแม้เพียงขณะเดียวแต่ท่านก็ไม่ละความพยายามโดยเชื่อมั่นว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงใบนั้นความสงบก็จะต้องเกิดขึ้น แม้ในขณะที่ท่านแก่แล้วต้องไปไหนมีไม่เท้าคำยันไปแต่ท่านก็ไม่ละการมนานสิการถึงกรรมฐานคือการใส่ใจในอารมณ์ของกรรมฐานในที่สุดความส ง, งบก็บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความส ง, งบในขั้นที่ประณีตจะเห็นได้ว่าขึ้นอยู่กับ อินทรีย์คือได้ไปเพิ่มอินทรีย์ในส่วนใดส่วนหนึ่งที่บกพร่องขึ้นมาให้อินทรีย์นั้นเต็มบริบูรณ์ในสมัยพุทธกาลเองภิกษุบางรูปที่ยังเป็นไปในอำนาจของจิตจรคือจิตเจรฟุง้งซัดสายไปในลักษณะอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะทรงเสริมในส่วนที่เป็นสติกับส่วนที่เป็นความเพียร และถ้าหากว่าท่านเหล่านี้ยังไม่พร้อมก็จะรอคอยประคับประคองท่านไปค่อยๆตะล่อมความคิดของท่านให้อยู่ในแนวทางที่เพิ่มพูนความสงบต่อแต่นั้นจึงทรงประทานกรรมฐานให้บางองค์ต้องอยู่แบบรักษาศีลทั่วไปอยู่เป็นเวลานานเพราะว่ายังไม่พร้อม ดังนั้นการศึกษายอมรับเหตุปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้เอาไว้จะทำให้ได้หลักในกรณีที่เพียรพยายามปฏิบัติไปแล้วแต่ว่าความสงบที่ตนจํานงหวังยังไม่เกิดขึ้นก็ต้องใช้หลักอย่างที่ว่าทำใจให้เกิดความร่าเริงเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระตนตรยัยในคุณของกรรมฐานให้มากยิ่งขึ้น แล้วอาการเช่นนั้นก็จะค่อยๆสงบลงไปทีนี้ในกรณีที่จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่แล้วก็ให้พยายามรักษาความสงบหลดนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ในโอกาสที่ทาความสงบคราวหนึ่งคราวหนึ่งและในขณะเดียวกันนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในอิริยาบถอื่นอยู่ในสถานที่อื่น ซึ่งว่างจากภารกิจการงานก็ต้องอาศัยปลูกฉันทะคือความพอใจในความสุบเมื่อเห็นว่าความคิดเกิดฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆมากก็พยายามหาจุดให้จิตเกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวไว้เพื่อสร้างความเคยชินให้แก่จิตใจเวลาลงมือปฏิบัติในโอกาสต่อไป การที่จิตจะเข้าสู่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นก็จะมีอยู่ได้นานและเมื่อจิตเป็นสมาธิอยู่ก็พยายามประคับประคองให้ดำรงอยู่ได้มากๆแต่ว่าความเปลี่ยนแปลงในขั้นนี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆคือบางคราวก็เป็นความสงบตั้งมั่นคล้ายๆจะไม่หวั่นไหวแต่เนื่องจากเป็นสมาธิที่ยังมีวิตก มีวิจารณ์อยู่จิตก็จะอดแวบไปรับอารมณ์ภายนอกไม่ได้เพราะงั้นบางคราวจิตจึงถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสจังได้จังหนึ่งก็ให้รู้จิตในขณะนั้นๆว่ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาปรุงแต่งจนเสียความสงบไปขุา ย, ยามเปลื้องจิตจากอารมณ์เหล่านั้นจากกิเลสเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโลภโทสะหรือโมหะก็ตาม การตามรู้จิตในลักษณะนี้ถึงแม้จะส่งแสดงไว้เป็นสี่จังหวะด้วยกันแต่ว่าในขั้นของการปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติไปแต่ทีละข้อเท่านั้นเองคือโดยทั่วไปก็ตามดูจิตไปทั้งหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเมื่อจิตเกิดหดผูกขึ้นจิตเกิดเบื่อหน่ายขึ้นหรือฟุ้งซ่านไป ก็พยายามทำจิตให้เกิดความร่าเริงปลุกปลอบจิตให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเองสำนวนโบราณท่านใช้คำว่าปรึกษากับก ร, รัชกายคือสั่งสอนตัวเองตักเตือนตัวเองแล้วก็พิจารณาดูใจของตนของตนด้วยตนเวลาจิตตั้งมั่นเป็นความสงบแล้วก็คุมไว้ที่ความสงบนั้น เหมือนกับขับรถที่เดินไปตรงทางแล้วก็ไม่ต้องหมุนพวงมาลัยอะไรบ้างพยายามคุมให้ทรงไว้เท่านั้นก็จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้แต่บางคราวจิตถูกกลุ่มรุมด้วยกิเลสก็เปลื่องกิเลสเหล่านั้นออกจากคิดใจซึ่งเป็นการปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นๆโดยอาศัยการใช้สติ คือความระลึกและสัมปชัญญะความรู้ตัวเป็นองค์ประกอบในการวิจัยระลึกรู้จิตในขณะนั้นๆแล้วอาศัยความเพียรพยายามที่เรียกว่าอาตาปีหรือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนปฏิบัติไปตามสมควรแก่กรณีนั้นนั้นดังที่เคยกล่าวมาในวันก่อนว่าในขณะที่ปฏิบัตินั้น อารมณ์ของกรรมฐานบางคราวเรากําหนดไม่ได้ว่าจะเป็นสมถะหรือจะเป็นวิปัสนาคําว่าสมถะนั้นท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารามโูปนิ ช, ชานคือการเพ่งอารมณ์มุ่งความสงบเป็นหลักเพื่อจิตสงบจากนิวรณ์ทั้งห้าประการส่วนวิปัสนานั้นท่านเรียกว่าลักคนูปนิ ช, ชานคือเพ่งลักษณะ หมายถึงว่านำเอาสิ่งนั้นๆเข้ามาพิจารณาแยกแยะให้เห็นไตรลักษณ์ในสิ่งเหล่านั้นคือเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความแปรปรวนของจิตเป็นต้นหรือของลมหายใจเป็นต้นบางคราวอารมณ์ของสมถะปรากฏชัดบุคคลก็ใช้ความสงบเป็นหลักไว้เพื่อจิตสงบจากนิวรณ์ดังกล่าว แต่บางคราวเป็นอารมณ์ของวิปัสนาคือจิตน้อมไปในทางวิปัสนาซึ่งสรุปได้ว่าบางคราวนั้นสตินำอยู่ข้างหน้าสัมปชัญญะตามไปข้างหลังในลักษณะนี้ก็มุ่งไปความสงบแต่บางคราวสัมปชัญญะไปอยู่หน้าสติอยู่ข้างหลังส่วนความเพียรตะอยู่อันดับสามในกรณีนี้ก็กลายเป็นวิปัสนา ดังนั้นจึงสรงสอนว่าให้พิจารณาดูความไม่เที่ยงหายใจเข้าให้พิจารณาดูความไม่เที่ยงหายใจออกถ้าจะถามว่าความไม่เที่ยงของอะไรบางครั้งนั้นปรากฏออกมาในรูปในลักษณะของรูปบ้างในลักษณะของนามบ้างที่มีอาการเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย และมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่ดำรงอยู่ในฐานะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในขณะที่จากช่วงเกิดถึงช่วงดับก็จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทางนี้โดยอาศัยเหตุปัจจัยแต่ละกรณีดัง น, นั้นถ้าปรากฏออกมาในลักษณะนี้ ก็ใช้เป็นบิปัสนาคือใช้ปัญญาเข้าพิพนิจพิจารณาเสฉยเมื่อพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วอาจจะมองอะไรก็ได้โดยเริ่มมาจากจุดแรกฉันยกตัวอย่างว่ามองที่ลมหายใจเข้าออกจะเห็นว่าลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกนั้นจะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป เช่นในกรณีที่หายใจเข้าไปใหม่ๆลมก็แรงแต่ตอนปลายไปลมก็อ่อนดูว่าตอนหายใจออกตอนลมเริ่มตั้งขึ้นก็แรงเวลาจะออกมาทางนาสิกก็อ่อนลงแสดงถึงว่าไอตัวเหตุปัจจัยที่กาหนดให้มีความเปลี่ยนแปลงนั้นไม่เหมือนกันในช่วงของลมที่ผ่านมาเหตุปัจจัยอ่อนลง ความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง ก, ก็ปรากฏขึ้นเมื่อมองเห็นเป็นความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของลมในลักษณะนี้ก็ดูในจุดนั้นจนเกิดปัญญาเห็นประจักษ์ชัดถึงความไม่เที่ยงของลมและอาจจะโยงเข้าไปหาในส่วนอื่นๆมองเห็นสิ่งนั้นๆตกอยู่ในสภาพเดียวกันตังดังที่ทรงแสดงไว้ว่า เมื่อใดบุคคลทั้งหลายพิจารณาเห็นสังขารว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นบุคคล น, นั้นยโยบนายในสิ่งที่เป็นทุกข์ในความทุกข์ข้อนี้เป็นทางแห่งความหมดจดแต่ว่าในขั้นของการพิจารณาที่สับเปลี่ยนไปนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นคือหมายความว่าอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้ นี่เป็นหลักการของพุทธบุคคลในทางพระพุทธศาสนาท่านสาธุชนทั้งหลายจะพบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระบรมศาสตรสดานั้นทรงมีลักษณะเป็นอย่างนี้คือทรงหาประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นโอกาสใดที่หาความสงบให้เกิดขึ้นแก่พระทัยของพระองค์ได้ก็ใช้ไปในด้านความสงบ เช่นคราวว่าปะมงคลแรกนาขวัญอย่างที่ทราบกันในขณะนั้นพระองค์ได้ความสงบ ก, ก็เจริญสมถกรรมฐานไปแต่ในขณะที่เสด็จเรียบพระนครหลายคราบตลอดตึงการเสด็จป้อมพระองค์เที่ยวไปในกรุงกบิลพัทก็ได้พบเห็นภาพคนเกิดคนแก่คนเจ็บเอ่อคนแก่คนเจ็บ ค, คนตายละสมณะ ในโอกาสเช่นนี้ก็ใช้ปัญญาเข้าพินิษพิจารณามองเห็นถึงชีวิตโดยเฉพาะชีวิตนั้นเป็นเบื้องต้นว่าแต่ก่อนนั้นก็ยังเป็นเด็กเปลี่ยนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเท่าเป็นแก่แล้วก็แก่งอมลงไปอย่างนี้และโยงก็ไปหาชีวิตอื่นตลอดถึงชีวิตของพระองค์พระนางเยโสอราพระพุทธบิดาเป็นต้นตลอดถึงสาพสัสพ ส, สทั้งหลาย ก็เข้าถึงความเป็นอันเดียวกันคือเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายไปในที่สุดในที่สุดก็มองเห็นว่าธรรมดาของในโลกนี้ย่อมมีอยู่เป็นคู่กันมีร้อนมีเย็นมีทุกข์มีสุขมีมืดมีสว่างเมื่อมีเกิดก็ต้องมีไม่เกิดเมื่อมีแก่ก็ต้องมีไม่แก่เมื่อมีเจ็บก็ต้องมีไม่เจ็บเมื่อมีตายก็ต้องมีไม่ตาย ตัวการสาคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงความทุกข์ในลักษณะต่างๆให้เกิดขึ้นกับชีวิตของบุคคลนั้นก็คือตัวของความเกิดพระองค์ก็มุ่งที่จะแก้ไขในจุดของความเกิดพะเมื่อทำลายความเกิดได้แล้วความแก่ความเจ็บความตายก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะตัวเหตุสาคัญได้ถูกทําลายไปแล้วนี่จะเห็นได้ว่าทรงมองอะไรก็ หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้แม้แต่ในขณะที่บำเพ็ญเพียรอยู่ในสถานที่ต่างๆในบางคราวพระองค์ก็ใช้ศรัทธานำไปข้างหน้าแต่อปัญญาตามไปข้างหลังข้าไปศึกษาค้นคว้าในรัิที่อบรมสั่งสอนกันแต่ก็ไม่ได้ศึกษาแบบงม ง, งายแบบทุ่มตัวลงไปว่าทางนี้เท่านั้นถูกต้อง ทางอื่นไม่ถูกต้องแต่ทรงใช้ปัญญาเป็นวิปัสนาปัญญาคือเห็นแจมแจ้งในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเห็นว่าไม่ใช่ทางแห่งการประพฤติปฏิบัติก็เลิกดังนั้นอุปกรณ์ที่ทรงใช้เพื่อการบรรลุ ค, ความเป็นพระอรหรันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นภาพที่คนทั่วไปก็มองเห็นกันได้ แล้วก็ปรากฏอยู่ในสถานที่ต่างๆเช่นว่าทรงเปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญทุกขกรริยามาบำเพ็ญเพียรทางจิตก็โดยอาศัยการได้ยินเสียงผินที่คนเขาดีดเท่านั้นเองแล้วก็น้อมนึกขึ้นมาว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับสายผินถ้าตึงเกินไปก็ขาด ย, ย่อนเกินไปก็ดีดไม่ดังจะต้องอยู่ตรงกลาง เวลาตรวจสอบดูจิตของพระองค์ว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถสลัดกิเลสให้หลุดออกไปจากจิตได้ก็อาศัยการใช้ปัญญาปินิชพิจนาจากท่อนไม้ที่คนนำมาสีไฟโดยแยกออกเป็นสามประเภทคือถ้าเปียกทั้งยางทั้งน้ำแม้จะนำไม้สีไฟมาสีข้าวก็ไม่อาจที่จะเกิดไฟได้ การมาเป็นเพียนของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือถ้ากายก็ยังไม่ออกจากการจิตก็ยังพัวพันหมกมุ่นครุ่นคิดกังวลอยู่ในเรื่องของการถึงแม้จะบำเพ็ญเพียนอย่างไรก็ไม่อาจที่จะบรรลุปุณณพิเศษได้และไม้อีกท่อดหนึ่งซึ่งไม่ได้แช่อยู่ในน้ำแต่ว่าก็ยังเปียกยางอยู่แม้ใครจะนําไม้อื่นไม้สีไฟมาสีข้าวก็ไม่อาจที่จะเกิดไฟขึ้นได้ เปรียบเหมือนนักปฏิบัติธรรมะที่เรียกว่าสมณพราหมณ์ในสมัยนั้นแม้ว่ากายจะหลีกออกจากวัตถุกรรมแล้วแต่ว่าจิตใจ ย, ยังหมกมุ่นอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสกรรม <c oughs> หากจะใช้ความเพียรพยายามไป <c oughs> ก็ไม่อาจที่จะบรรลุกุณพิเศษได้ <c oughs> เพราะยังไง <c oughs> ยังไงใจ <c oughs> ก็ยังมีกิเลสอยู่ <c oughs> แล้วตัวการที่จะนำ นำพระองค์ไปสู่การจัดสรูนั้นก็คือไม้แห้งท่อนหนึ่งที่วางอยู่ไกลน้ำยางก็ไม่มีน้ำก็ไม่เปียกซึ่งเมื่อคนนำไม้สีไฟมาสีข้าวก็เกิดไฟได้แล้วก็ทรงได้แนวคิดว่าการจะบำเพ็ญเพียรให้บรรลุคุณพิเศษที่ทรงจำนงหวังไว้นั้นกายจะต้องไม่ปัวพันหมกมุ่นอยู่ในวัตถุกรรม ใจจะต้องทำลายกิเลสกามให้ออกไปได้และเมื่อใช้ความเพียรพยายามเสริมเข้าไปการบรรลุภุณพิเศษก็จะมีได้ดังนั้นพุทธบุคคลในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าอยู่ในระดับใดก็ตามจะต้องพยายามหาประโยชน์จากสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของตนให้ได้คือในขณนะดใดตัวอารมณ์ปรากฏชัด ก็มุ่งไปที่ความสงบเพราะสงบนิวรณ์ได้ในขณะใดที่วิปัสสนาปรากฏชัดก็มุ่งไปที่การใช้ปัญญาพินิจพิจารณาก็จะเห็นใจลักษณ์อันมีจุดหมายปลายทางในลักษณะเดียวกันคือถ้าเห็นใจลักษก็จะทายถอนความยึดติดความหลงในสิ่งเหล่านั้นลงไปเพราะการที่บุคคลไปยึด ไปมุ่งหมายในสิ่งต่างๆไปปรารถนาในสิ่งต่างๆนั้นถึงแม้ในเชิงปริยัติบุคคลจะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นจะต้องแตกดับไปในวันหนึ่งแต่ในแง่ของความรู้อย่างแท้จริงตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วยังชื่อว่าไม่รู้อยู่นั่นเองเพราะว่าไม่อาจที่จะละความกำหนัดการไขว้คว้ า, าความปรารถนาในสิ่งนั้นๆได้ดังนั้นเมื่อจิตเกิดความกำหนัด ความต้องการความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่าวัตถุการมคือวัตถุที่ก่อให้เกิดความใคร่ความปรารถนาความพอใจแต่ที่จริงตัววัตถุนั้นเป็นตัวกลางกลางไม่ใช่เป็นตัวที่ก่อให้เกิดความใคร้เสมอไปทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับใจของบุคคลผู้ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเหล่านั้นหรือผู้ไปตรึกนึกถึงวัตถุเหล่านั้นเพราะอะไรเพราะว่า แม้แต่พระอริยเจ้าท่านก็ยังเห็นรูปฟังเสียงดงกลิ่นลิ้มรถถูกต้องปุถะพะอยู่เช่นเดียวกับสามั ญ, ญชนเหมือนกันแต่เนื่องจากจิตใจของท่านปราศจากกิเลสกามเพระนาะฉะนั้นรูปเสียงจึงเป็นสักแต่ว่ารูปเสียงไม่ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรภายในจิตใจของท่านแต่ว่าปุถุชนนั้นยังมีกิเลสกามอยู่ภายในใจแล้วก็เก็บ ความรู้สึกการกําหนดหมายรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นไว้ในฐานะที่น่าคล่ยน่าปรารถนาหน้าพอใจถึงแม้จะทําความสงบจู่แต่ว่าตัวธรรมารมคือวัดรูปรวัตถุต่างๆหรือจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ตามที่เก็บไว้ก่อนนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยการจะด้วยการที่ใจเป็นเหลียวนึกมาตรึกนึกแล้วกาหนดว่าหน้าใคร่หน้าปรารถนาหน้าพอใจ ในกรณีเช่นนี้ก็ส่งสอนให้พยายามทำใจให้คลายกำหนัดจากเรื่องเหล่านั้นโดยในขั้นแรกสำหรับในขณะที่นั่งปฏิบัติจุก็กคือการมนสิการในอารมณ์ของกรรมฐานให้มากข่าวถ้าวิปัสสนาปรากฏก็ใช้ปัญญาให้มากค่าวถ้าอารมณ์กรรมสมถะกรรมฐานปรากฏก็ทำความสงบให้มากข่าว ต่อแต่นั้นถ้าหากไม่อาจที่จะระงับได้ก็ให้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแก้ทางของจิตไปอย่างเกิดความกำหนัดในรูปก็เพ่งดูรูปนั้นอีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึง่งที่เป็นแง่ของความเป็นจริงเพราะโดยปกติแล้วใจของคนไปกำหนดรูปในฐานะฉาบสวยที่เป็นมายาคือตัดสินการเฉพาะในกรณีที่ตนเห็นเท่านั้น ไม่ได้มองผ่านม่านมายาเหล่านั้นออกไปเพราะตามความเป็นจริงแล้วรูปไม่ว่าจะปรีตหรือไกลหรือใกล้หรือจะมีในอนาคตก็ตามที่ผ่านมาแล้วในอดีตก็ตามเลวก็ตามปรีตก็ตามนั้นมันก็เป็นเพียงสัจติวรูปที่เกิดขึ้นดำรงอยู่แตกดับไปด้วยเหตุปัจจัยรูปแต่และชนิดเป็นการประกอบขึ้นของาธาตุทั้งสี่ มีการสมมติปัญญัติกันเท่านั้นแต่เมื่อท่าทั้งสีนั้นแยกออกจากกันแล้วความเป็นสัตว์ความเป็นบุคคลความเป็นเราความเป็นเขาที่เคยกำหนดหมายก็มีไม่ได้ซึ่งหมายความว่าความรู้ในระดับนี้ถ้าแบบปริยัตก็พอจะรู้กันแต่ว่าจุดมุ่งหมายทางาศาสนานั้นจะต้องคลายกาหนัดในเรื่องเหล่านั้นได้เช่นว่าเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นแล้ว ก็ไม่ไปเกี่ยวข้องในสิ่งเหล่านั้นอีกต่อไปกร น, นี้พิงเห็นตัวอย่างบุคคลที่เห็นโทษของสุราบางคนเห็นโทษอธิบายโทษได้ชี้แจงให้คนอื่นเข้าใจได้แต่ว่าตนเองยังไมเ่เลิกดื่มสุราอย่างนี้ศาสนาท่านยังไม่ถือว่าเห็นและยังไม่ถือว่ารู้โทษของสุราเพราะถ้ารู้ที่แท้จริงก็ต้องละการดื่มสุรานั้นได้ชั้นใด การกำหนัดการยึดติดในรูปเป็นต้นก็มีลักษณะอย่างนั้นถึงแม้บางครั้งจะรู้ถึงความปฏิกูลน่าเกลียดดืวอการประชุมกันของาธาตุทั้งสีแห่งรูปเหล่านั้นแต่ถ้ายังไม่อาจถ่ายถอนความหลงความยึดติดการไฝ่คว้าของจิตที่มีต่อรูปเหล่านั้นก็ยังไม่ถือว่ารู้เพราะใจยังไปกำหนดว่าของเราของเราจบด้วยอำนาจของตันหา ของเราเพิ่มขึ้นเท่าไรเป็นการเพิ่มปริมาณตันหาขึ้นมากเท่านั้นแล้วก็เป็นการเพิ่มความโศกความร่ําไรราพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเพราะการสแสวงหาการได้มาการครอบครองการแตกสลายไปการเปลี่ยนแปลงไปของรูปเป็นต้นเหล่านั้นมากยิ่งขึ้นก็นี้จะเห็นได้ว่าเมื่อไปในสถานที่บางแห่งที่เรามีวัตถุสิ่งของที่ ใจรู้สึกว่าเป็นของเราน้อยความมิตกกังวลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆก็น้อยแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่ใดที่รู้สึกว่าของเรามากนั่นกของเราน้นของเราคนของเราวัตถุของเราบ้านของเราของเรามากความเดือดร้อนความมิตกกังวลความห่วงใยก็จะมากดังนั้นศาสนาจึงพยายามให้บุคคลสร้างความรู้สึกของเราให้น้อยลงถึงแม้จะมีของเรามากขึ้น แต่ก็อย่าไปกำหนดหมาย่ะเล็งผลเลิศว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะว่ากันตามความเป็นจริงแล้วจะเป็นไปตามที่ใจบุคคลหวังไม่ได้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดำรงอยู่แตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัยเมื่อถึงคราวจะแตกสลายก็ต้องแตกสลายแม้ว่าบุคคลไม่ปรารถนาให้แตกสลายด้วยการอ้อนวอนขอร้องหรือแม้แต่จะให้เงินทองแต่ว่าเมื่อ เหตุปัจจัยของการดำรงอยู่ไม่มีการแตกสลายก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นความก้าใจในลักษณะนี้ที่ปรากฏในขณะบาเพ็ญเพียรนั้นเป็นการเพราะเชื้อของเหตุผลเพาะเชื้อของปัญญาขึ้นภายในจิตใจต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป